ส ก, กะปันหาสุดเท้าส ก, กะทูลถามว่าเทวาและมนุษย์มีอะไรเป็นเครื่องผูกพันจึงต้องเป็นผู้มีเวรมีภยัยมีการเบียดเบียนกันพระศาสดาตรัสบอกว่าความริษยาและความตรรย์เป็นเครื่องผูกพันร้อยรับถามว่าอะไรเป็นเหตุของความริษยาและความตรรย์ตอบว่าสิ่งที่รักบ้างไม่รักบ้างถามว่าอะไรเป็นเหตุเกิดของสิ่งที่รักบ้างไม่รักบ้าง ตอบว่าความพอใจถามว่าความพอใจมีอะไรเป็นเหตุเกิดตอบว่ามีความตรึกเป็นเหตุเกิดต่อจากนี้เท้าสัก่าก็ทูลถามปัญหาลึกลงไปอีกพระศาสดาก็ทรงแก้ลุ่มลึกลงไปตามลําดับลําดับจนเทา้าสก่าได้บรรลุโสดาปฏิพันธในครั้งนั้นที่ทากินท่าสารคูหาเขตเมืองราชฤกแวนมคต